จริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉนั้นเธอจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกขเจดีที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นคารบบูชาเล่าโมฆะบุรุษเพราะพวกชาวบ้านมีความสําคัญว่าต้นไม้มีชีวะโมฆะบุรุษ